ที่จริงก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีพระประสงคอยากจะให้ทุกคนอ่ะคือไม่มีความทุกข์ภายในใจนี่แหละเพราะนั้นจะว่าศิลปะอะไรก็ตามของพระพุทธศาสนาก็มีเป้าหมายเพื่อให้จิตใจไม่มีความทุกข์ศิลปะเพื่อใช้ชีวิตอย่างไม่มีความทุกข์อย่ยงมีความสุขให้บริบูรณ์สมบูรณ์ทางที่จะทำให้เราไม่มีทุกข์เนี่ย ต้องรูสติถึงสติเนี่ยมันจะต้องรู้มารู้รู้กายรู้ใจของเรามีคณะโมคะณะถามที่ไปฟังพระพุทธเจ้าก็ถามถามถึงวิธีว่าพระองค์่ะสอนสาวกของพระองค์อี่จะให้ไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ย ลำดับการสอนอยังไงอย่างอื่นเขาจะทำอะไรก็ต้องมีลาดับมีขั้นมีตอนทำเป็นขั้นเป็นตอนจะสร้างศาลาสร้างกุติศาลาก็ต้องมีเสาเขนมีตอหมอ้อมีเสามีพื้นแล้วก็โครงหลังคาแลขกา็มาทำรายละเอียดหรือว่ฝึกช้างมา้าวัวควายอะไรก็แล้วแต่ ก็ต้องฝึกไปตามลำดับอยากฝึกมา้าเขาก็ต้องให้มา้าคุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่มันอยู่หน้ามา้าเอามาใส่เอาสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าใมาใส่มาฝึกเนจะ้าของก็ต้องฝึกให้คุ้นเคยกับมา้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุ้นเคยกันสุสึกไว้วางใจกันสนิทใจกันทีนี้ ขณะกาโมคาระณะก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักคำนวณเวลาเขาจะสอนสุักทิตของเขาเนี่ยสอนให้นับอย่างนี้ก็นักหนึ่งสองสามไปตามลำดับเหมือนกันนี้พระองค์สามารถไหมที่จะลำดับ ก, การสอนเพื่อที่จะให้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับทุกข์เนี่ย ขณะการมมคลานะเนี่ยเขาพูดถึงงานลำดับงานทางวัตถุแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องจิตใจลำดับขั้นที่จะฝึกจิตใจให้ดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออพระองค์เนี่ยก็สอนสาวของพระองค์ตามลำดับเหมือนกัน องบอกว่าถ้ามีคนที่จะมาฝึกเนี่ยท่าเรียกบุรุษที่สมควรฝุกก็คือผู้ที่สนใจผู้ที่เข้ามาเพื่อที่จะพุึธปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมเน่ยท่านเรียกว่าบุรุษผู้สมควรสุกทั้นั้นถ้าใครที่สนใจาานใจะมาฝึกท่านก็บอกว่าเริ่มตน้นศีลว่าต้องเป็นผู้มีศีล เพระนั้นผู้ที่จะมาฝึกมาปฏิบัติเนี่ยต้องมีศีลอาจารย์บางท่านบอกว่าของท่านเนี่ยไม่ต้องมีศีลก็ได้ปฏิบัติได้เลยคือมีสติแล้วก็เห็นการจิตใจไม่ใช่เราไม่ใช่องเราเป็นอันจบเลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าต้องมีศีลก่อนศีลละวะป็นผู้มีศีล สีของพระพุทธเจ้าเนี่ยกับความเข้าใจของชาวพุทธของเราในบ้านเมืองเราปัจจิวันเนี่ยมันดูจากต่างกันนิดนึงเพราะว่าสีเนี่ยเวลาพูดถึงสีเราจะนึกถึงสีห้าสีแปดหรือว่าสีสิบอะไรอย่างไั้น 5, สีห้าสีแปดสำหรับโยมหรือแม่ทีสีจิต ก, ก็สามมามเนรสีสองร้อยยี่สิบเจ็ด ก็คือพระอาทิตยเราไปนึกถึงสิกขาบทที่เป็นข้อห้อไอ้เป็นข้อห้ออันนั้นนะ่ะมันก็เป็นเครื่องมือที่จะฝึกให้เรามีสีคือพอสํารวมด้วยสิีขาบทเหล่านั้นด้วยข้อปฏิบัติเหล่านั้นแล้วสติสของเราเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมาควบคุมจิตใจ ถ้าเป็นผู้ที่มีศีลเนี่ยก็คือสามารถละเจตนาภายในจิตใจที่มันจะทำไม่ดีไปผิดท ง, ทงกิดค้าบทท่าข้อหรือว่าแปดข้อหรือว่าสองร้อยยี่สิบเจดข้อเพราะนั้นพระองค์เนี่ยเน้นศีลที่จิตใจแต่ของเราเนี่ยพูดถึงศีลก็นึกถึงแต่ตัวหนังสือ อยู่ในตัวนังสือแต่เวลาปฏิบัติสีนเนี่ยสีต้องอยู่ที่ใจสามารถรักเจตนาที่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องและจิตใจมันก็เป็นปกติท่านถึงว่าสีนเนี่ยมันมาสมบูรณ์อยู่ที่ใจทีนี้การที่จะมีสีสมบูรณนะ์เนี่ย มันก็เลยต้องมีสติด้วยเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องเข้ามาอยู่ในใจเราจะศึกษารพระาศาสนาปฏิบัติพระศาสนาก็ต้องให้าศาสนาเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในใจให้คำสอนของพระพุทธเจ้ามันมาเกิดเป็นผลขึ้นมาที่จิตใจเรามีท่านอย่างเดียวใจสิกขา การศึกษาสามอย่างก็คือศีลสีนก็อยู่ที่ใจสมาธิก็อยู่ที่ใจปัญญาก็อยู่ที่ใจบางทีฉันก็พูดว่าอธิสีนอธิจิตอธิปัญญาทั้ททททงสามอย่างเนี้ยมันเลยใจของผู้ปฏิบัติถ้าหาว่าเราศึกษาแต่ว่าศาสนาเนี่ยมันอยู่ของงอง้างนอก ประโยชน์ต่อจิตใจเรามันก็น้อยแต่ถ้าหาว่าเราศึกษาด้วยการให้จิตของเราเนี่ยมีศาสนาอยู่ในใจคือศึกษาอย่างเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษามาก็คือมีสติรักษาใจขอู่ตลอดเวลาเลยแล้วตอนนี้ ใจเราอยู่ยังไงเอาง่ายๆไม่ต้องไปนึกถึงธรรมะอะไรมากมายนะเวลามีสติก็ตั้งใจแต่ว่าเออเราจะพยายามมีสติค่ัส่วนผลเป็นยังไงก็จะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยหมายความว่าพอใจที่จะได้ปฏิบัติพอใจที่จะได้สั้างให้มันถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจา้าส่วนผลเป็นหน้าที่ของสภาวธรรมเราก็จะไม่บูบคั้นตัวเอง เราก็จะไม่ให้ความอยากเนี่ยมันนำหน้าเราทำสบายๆเออคุณเป็นยังไงก็ไดเนี่ยทำสบายๆเพราะอย่างเดีย ว, วเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ า, าแล้วก็คือเรามีสติสตินี่แหละมันเป็นมรเบื้องตนบุกาพกากมะแล้วก็เป็นธรรมะที่สำคัญ เพราะว่าถ้าหากว่าเรามีสติธรรมะอื่นๆก็จะตามเข้ามาอยู่ที่ใจเราพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าออสติเนี่ยถ้าเทียบกับรอยเท้าสัตว์เนี่ยรอยเท้าช้างามันใหญ่ที่สุดคถ้าหากว่าพูดถึงความสําคัญของธรรมะก็คือสติมีความสําคัญมากที่สุดเพราะว่า มันทําให้ธรรมะอื่นๆเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเราทําคุณงามความดีอะไรต่างๆทําประโยชน์แก่พระศาสนาทําประโยชน์แก่ส่วนรวมก็เพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันดีเพื่อให้ใจของเรามันสุขมันสบายเนี่ยมันต้องมาสกิดอยู่ที่ใจเหมือนกัน ใจสุขใจสบายแล้วสติมนี่ควบคุมจิตใจได้ง่ายใจเบิกบานใจอิ่มเอิบราบซาดื่มดำใจสงบใจโปรง่งเบาสบายใจมีความสุขพอใจมีความสุขสติเนี่ยมันก็ควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธิ ตัวบุญที่แทกิก็กลายเป็นตัวสติดไปเพราะเป้าหมายก็คือว่าให้จิตใจของเรามันมีความเบิกบานมีความอิ่เอิบซาบซ่ า, าดื่นดักมีจิตใจที่สงบมีจิตใจที่มีความสุขมีจิตใจที่เป็นสมาธิ สติก็เลยเป็นที่รวมของกุศลทั้งหลายนี้จะเห็นว่าการดําเนินชีวิตของเรามันมีอริยมรรคมีองค์แปเกิดขึ้นที่ใจเราได้ไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าหากว่าเราเข้าใจแก่นแท้ของคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เข้ามาอยู่ทีใจเราทันที เพราะนั้นทำอะไรก็ง า, ามก็มีสติแล้วก็พยายามที่จะปรับติตของเราก็คือให้รู้ทันจิตของเราพอรู้ทันจิตของเราจิตของเรามันมันก็เบิกบานมันสงบมันมีความสุข่ะมีสตสุขแล้วก็เป็นสมาธิจิตก็อยู่กับตัวเรา พอจิตเป็นสมาธิแล้วทีนี้จิตมันขยับยังไงมันจะรู้เนี่ยสติเนี่ยมันจะเข้าไปรู้เราก็ควบคุมจิตเราได้ถ้าหาว่าจิตเนี่ยมันไปเห็นสติเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเห็นพวกสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับจิตเราแค่เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบ้านมันคลายเลยนะ คือเวลามันเห็นพอวันทุกเกิดขึ้นมันเห็นความทุกข์ความรุ่มร้อนภายในใจิตใจมันก็อยากละไอสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องมันจึงคายออกไปเองขอให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตเนี่ยถูกต้องตามหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นปฏิบัติตรงทางของพระพุทธเจ้าแล้วขบวนการของพุทธม ค, คาน หรืออริยมรรคในองค์แปดของพระพุทธเจ้ามันจะขัดเลาจิตใจของเราได้เองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงลำดับ ก, การสอนไหมว่าศีลละ ว, วาต้องเป็นผู้มีศีลอันนี้ก็คือว่าเราเป็นผู้ที่มาปฏิบัติแล้วแต่ถ้าหากดาเนินชีวิตอยู่เนี่ยออคุณงามความดีอะไรก็ทำเพราะว่าทำแล้วให้มันมีผลต่อจิตของเรา ทำให้จิตใจของเรามีความสุขความสงบความสบายมีความเบิกบานรื่นเริงมันเถอมีปีติมีปัสสติคือความสงบแล้วก็มีความสุขแล้วจิตใจก็อยู่ภายในตัวเราได้เมื่อมันเห็นจิตใจบ้างเนี่ยเหตการณ์ที่เราจะไป ทำในสิ่งที่มันเป็นที่เป็นภัยต่อจิตใจเราก็ไม่อยากทำนะํำแล้วบางคนก็มองแค่ว่าเอยชิ้นห้าเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้สําคัญอะไรแต่ถ้าศึกษาที่พระพุทธเจ้าสอนสอนเรื่องสีลเรื่องเนี่ยสิกขาบทเนี่ยบางทีท่านก็สอนพระถ้าสําหรับพระท่านก็บอกให้คำรวมในพระปาติโมกนะพระปาติโมกก็คือ สิ่2สองร้อยี่สิบเจ็ดข้อมีในพวินัยถ้าเป็นพระเข้ามาบวชแล้วก็ต้องศึก ษ, ษาเอามาประพฤติปฏิบัติอันนี้มันเป็นกรอบเพื่อให้จิตนี้มีสตไม่ให้จิตเราเนี่ยมันไปทำหรือมันคิดปรุงแต่งในทางที่จิดรศีลนปะ์ไม่เอากายเอาคำพูดของเราไปทำในสิ่งที่มัน เป็นทิ่เป็นภัยต่อใจเราก็ต้องมีสติรักษาจิตใจนั่นเองนอกจากจะสำรวมในสราธิโมกเนี่ยถ้าเป็นคราวาสก็ก็เปรียบเทียบได้อะอ้าเราสะดวกทีหน้าเราก็มีสิกขาบทห้าข้อเนี่ยแทนสิกขาบทให้สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่ว่าปฏิบัติให้สติเข้ามา ควบคุมใจเราได้ให้รู้อยู่ที่ใจเราเนี่ยเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องมันก็ต้องจำกัดลงไปด้วยเพราะถ้าเกิดเราไปเกี่ยวข้องในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องมันก็จะทําให้จิตของเรามันไปในทางไม่ดีในทางที่เป็นตัญหาขึ้นมาในใจิตใจมันก็เป็น ถ้าติสตรูลต่อความสงบต่อความสุขความสบายภายในจิตใจอันอาจ า, าระหมายถึงความประพฤติก็ต้องถูกต้องดีงามแหละโฮจาระหมายถึงการที่เราไปเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยถ้าหาว่ามันเป็นไปเพื่อความสงบภายในจิตใจเป็นไปเพื่อความมีสติ มีสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรเนี่ยหรือเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในศีลสมาธิปัญญาอาทิศีลอาทิจิตอ า, อ า, อ า, อ า, อาิปัญญาเนี่ยมันก็จะเป็นทางของพระพุทธเจ้าเพราะมันเป็นอริยามรรคมีองค์แปดนั่นเองเพราะนั้นทางดาเนินชีวิตที่จะให้ชีวิตเรามีความสุขเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะดาเนินชีวิต โดยที่ให้อดีมักมีองแปดมันเข้ามารวมที่ใจเรานี่ในะที่ท่านเรียกว่าพุทธพมจันทร์อดีมักมีองแปกก็คือพมจันทร์พมจันทร์ก็คือทางดําเนินชีวิตหรือหลักในการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐก็คือออดีมักมีองแปดนั่นเองทีนี้พระองคก็สอนต่อไปบอกว่าเมื่อสาวก ที่มาปฏิบัตินั้นมีศีลแล้วมีศีลชินระ ว, วามีศีลเป็นผู้มีศีลแล้วพระองค์ก็จะสอนต่อไปอีกว่าให้มีอินทรีย์สังวรที่จริงท่านบอกว่าให้สํารวมตอนที่มันเป็นอินทรีย์ตอนที่มันเป็นใหญ่นนในการอย่างตาอันี้ก็เป็นใหญ่ในการเห็นอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นการใจ ให้จับรวมเวลามันกระทบอารมณ์เนี่ยเพราะนั้นสติเราก็ต้องอยู่กับตัวเราเวลากระทบอารมณ์ปับ๊บมันจะวูบเข้าไปหาจิตไม่ว่ากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าใจมันนึกขึ้นมามันมีอยู่แค่นี้นะทางที่จะเข้ามาของอารมณ์ทั้งหลายทางเข้ามาของความทุกข์อ่ะมันมีอยู่แค่นี้หกทางเท่านั้นอะ่ะเวลาตาเห็นปั๊บเนี่ย ถ้าสติเราดีอะมันวูเข้ามาแล้วมันรู้สึกยังไงเนี่ยมันจะรู้นะแต่ถ้าเราขาดสตินะั้นเรา ป, เปล่อยจิตปล่อยใจมูข้ามาแล้วหุ้ยร้อนขึ้นมาแล้วก็ยังไม่เห็นอีกจนกระทั่งมันโห้โหโมโหโตเต็มที่แล้วถึงไปเห็นมันจริงๆงมันมาตั้งนานแล้วมันมาตั้งแต่ที่แรกนู้นปักไม่ถูกใจไม่ชอบใจปรุงแต่งขึ้นมาปรุงไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้ว จนมันร้อนขึ้นมาเป็นฟืนเป็นไฟค่อยมาเห็นวิ่ง น, นี่เราโกรธแล้วเนี่ยมันก็ยังช้าอยู่นะถ้าว่าเราเห็นตัน้งแต่ที่แรกนะวูบเข้ามาปุ๊บปั๊บอุ๊ยอาการเริ่มเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตใจเราเริ่มสายแล้วเริ่มไม่พอใจแล้วเนี่ยเนี่ยมันเริ่มปรุงแต่งแล้วเนี่ยถ้าสติเราเข้าไปทันตรงนั้นมันก็ยับยั้งไวลามันก็จะดับไปคือถ้ามันทันเร็วเท่าไหร่ ไออารมณ์ที่มันก่อเกิดขึ้นกับจิตเราก็ยิ่งดับเร็วเท่านั้น น, นี่เท่ากับดับไฟภายในใจเราได้ไม่ว่ามันจะปรุงแต่งทางอยากได้ต้องการเนี่ยมันก็ปรงแต่งไปอันนั้นอันนี้เนี่ยปรงแต่งไปได้หมดเลยบางอย่างโอ้นมันอยากได้รุแลแรงเนี่ยมันทนแทมไม่ไหวเลยหรือมันอยากไปอยากทำนู่นทานี่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทาเนี่ยมันเหมือน ใจจะหาดเลยงั้นจะเป็นจะตายเลยนี่แหละอาการของจิตรเราแต่ถ้าจิตเราดีนะเราทันปั๊กเนี่ยเรายับยั้งเอาไว้นะจิตรเราเนี่ยเป็นเบขาจิตรเราเป็นกลางกลางน่ะเนี่ยทางสายกลางมันมีที่จิตนะเป็นทางดำเนินไปของจิตรเรายับยั้งไว้ได้ทีนี้เราก็จะกลายเป็นคนมีเหตุผลน่ะถ้าสมควรทําเราค่อยทถ้าไม่สมควรทําเราไม่ทําก็ได้ พอเราควบคุมจิตเราได้แล้วท่านถึงว่าต้องมีอินทรียสังวรก็คือมีสติเวลาที่อินทรีย์เนี่ยมันกระทบอารมคือตากระทบลูกหูได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงปั๊บกบ็พูดเข้ามหาจิตเราเหมือนกันถ้าเราทันปับ๊บจิตเราก็จะเป็นเวหาจิตเราก็เป็นกลางกลาง จิตเราก็ไม่กินดีไม่กินร้ยเนี่ยแต่ถ้าหาว่าเราไม่ทำมันก็ไหลไปอะไหลไปแล้วมันก็ไปไปเกาะไปกา ะ, ะอารมณ์อารมณ์มันก็เข้ามาอยู่ในจิตเราเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาเนี่ยคามเย็นว่ายตายเกิดก็เกิดขึ้นในจิตของเรามไนไต่ก่อนพอมันเกิดแล้วมันต้องมีความทุกข์ตามมาพภพชาติชะลามรณะโสกาปริเทวทุกขะโทมณะสาอุปายาสะ เนี่ทางมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะพุทธเจ้าเนี่ยแม้ท่านตรัสรู้ได้แจ้งชัดจริงๆเลยนะบอกวิธีไว้ตามลําดับเรียบร้อ ย, ยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเดินตามทางของพระองค์ถ้าเราจะศึกษาก็ต้องศึกษาให้คําสอนของพระองค์เข้ามาเกิดขึ้นในจิตเราฝึกให้มันเป็นขึ้นในจิตของเราเนี่ยศึกษาที่แท้จริง่ะถ้าหากว่าไม่ศึกษาตามทางที่พระพุทธเจ้า ดำเนินมาแล้วเราจะศึกษาทำเภี์มากขนาดไหนก็ตามนะมันไม่เข้ามาในที่คิดเรามันกลายเป็นศึกษาเป็นวิชาการเป็นทฤษฎีเป็นประวัติศาสตร์มักผลก็มีแต่เด็กครั้งนู้นพระพุทธเจ้ายังโศกโชนอยู่นางวิสาขาเป็นพระโสดาบันอนาถพินิกะพระเจ้าพาินพิสารนะ ขะบอดีคนนั้นคนนี้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรามันเหมือนกับว่าห่างไกลจากมักผลเหล่านั้นที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้เองเลยถ้าศึกษาในบาลีนะถ้าใครก็ตามที่เกิดเป็นมนุษย์จะพบพระพุทธศาสนา มีปัญญาพอที่จะลองรับคําสอนของหลวงปูได้แต่ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็สติมันไม่มีพอสติไม่มีก็ไม่เี็อะไรไดควบคุมจิตใจมันก็ไม่เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจเราบ้างทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเราความคิดนึกปรุงแต่งอะไรถกิดึ้มันก็เป็นเราไปหมดเลยอะความหลงผิดอันเนี้ยที่มันทําให้เราเป็นทุกข์ แต่ถ้าหาว่าเราเห็นมันแล้วเกิดได้ก็ดับได้มันไม่ใช่เรามันก็จะเบาลงไปแะมันจะดับไปคายไปนี้่อเนี่ยเพราะมันเห็นความจริงมันเหนของจริงเนี่ยคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในใจแล้วมันก็สามารถดับทุกข์พายในจิตใจเราได้ ถ้าเราสมรวมมีสติเนี่ยเพิ่มมาทางตาก่อเห็นจะรู้เห็นมันเข้ามาจิตใจยังไงมีผลต่อจิตใจยังไงเราก็ทัมันถ้าไม่ทันมันปุุงแต่งยังไงเราก็รู้ไปเรื่อยๆถ้าเหาไปทันเมื่อไหร่เนี่ยไอความรู้อยนางเงี้ยมันก็จะเห็นว่ามันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่เราเนี่ยมันก็จะคลายไปเองนี่หน้าที่ของมารคนเป็นอย่างเงี้ยมันต้องได้เห็นนะ ได้เห็นแล้วก็พอเห็นมันก็คลายมันก็ไม่ยึดแล้วไอ้กิ่งไหนที่ทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันคลายออกคลายออกมันเป็นหน้าที่ของอริยมรรคก็คือหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่จิตเรานี่จริงเนี่กว่าศึกษาจริงๆเนี่ยมันศึกษาเข้ามาที่จิตนะแล้วที่ศึกษาไปเนี่ย คำสอนของพระเจ้าเหมือนกับห่างไกลจากเรานะเหมือนกับอยู่กับพระพุทธเจ้าเหมือนกับอยู่ข้างพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่หรือเหมือนกับอยู่กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายมันจะเข้ามาอยู่ที่จิตเราได้เกิดขึ้นที่จิตเราเลยทีนี้ประโยชน์ต่อจิตใจเรามันก็จะเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจใจก็เหมือนกันมันนึกอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ย มันก็พูด้าไปหาจิตเหมือนกันแหละมีผลต่อจิตได้เหมือนกันมันก็ต้องมีสติรู้ทันเหมือนกันทาไมงั้นเราก็พร้อมที่จะเป็นทุกข์ทันทีเลยแคมันคิดไม่ดีขึ้นมาบางคนก็โกรธตัวเองก็ไม่หยุดคิดได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ว่านั่นเป็ น, ป น, ปนธรรมชาติของจิตถ้าเรามีสตินะรู้เลยว่าจิตมันคิดได้เอง จิตเนี่ยมันคิดได้เองเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ต้องน้อมไปอยู่อารมณ์นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เห็นในจิตเราเนี่ยเราก็ไม่สงสัยสินี่มันคิดของมันเองเนี่ยคิดเองแล้วก็มันก็ดับไปเองด้วยมันก็ไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันคิดไม่ดีแบบเออมันเรื่องของจิตเนี่ยมันไม่ใช่เราเนี่ยเราก็ปล่อยวางเสียถ้าว่าออเราเคยทาตามมัน เราก็ยักยังไม่ทําตามมันเพราะเรารู้แล้วมันไม่ดีไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่ใช่เราด้วยเราก็ไม่ต้องมาตังวลใจว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะมันไม่ใช่เรามันเป็นอาการของจิตเท่านั้นมันก็จะง่ายขึ้นน่ะการดํานินชีวิตมันก็เลยเป็นการศึกษาไปเรียนรู้เข้าใจเรื่องของตัวเองมากขึ้นเรื่อความทุกข์ก็น้อยลงไปเรื่ยเบาบางลงไปเรืย บางทีมันเหมือนเขาว่าโอ้ยมันจะเป็นเรื่องยุ่งยากนะแต่พอเรามาศึกษาจริงๆเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เราคิดบางทีจินตนาการของเราความคิดของคนทั่วไปเหมือนกับว่าต้องไปอยู่ในป่าในเขาต้องละบ้านล ะ, ละเรือนแต่อันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนคนทั่วไปด้วยสอนทั้งพระสอนทั้งโยมอพอมีศีลแล้ว พอมีจิตใสังวรแล้วอันที่สามท่านบอกว่าต้องรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยข้าวปลาอาหารเครื่องใช้ไม้สอยเสื้อผ้าอาภรณ์ชิ้นต่างๆจำกัดความต้องการของเราละส่วนเกินที่มันไม่มีความจำเป็นที่ถ้าหาว่าทำได้อย่างนี้ มันก็จะเห็นหมดแหละอาการของจิตเราที่มันไหลไปที่มันเพลินไปที่มีความอยากความต้องการอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมันก็จะรู้วเออมันมันไม่มีความจําเป็นอะไรแต่วามันเกินไปเนี่ยบางทีมันก็สร้างสนญหาให้เราได้ก็มัพอดีเพราะฉะนั้นเวลาเทียบกับไอ้ที่ท่านสอนเรื่องเจริญสติปัฏฐานสี่ท่านบอก ต้องมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดีดดดยินไลในโลกนี้เียให้ได้มีความเพียรมีสัมปชัญญเพียรเพาะกิเลสนั่นก็คือว่าเราต้องมีสติยับยัง้งจิตของเราด้วยเราต้องมามีสติเหมือนกันมายับยั้งที่จิตใจของเราเหมือนกันมารู้เท่าทานันจิตใจของเราไม่แม้มันไหลไปไม่แม้มันเพลินไป ไม่ว่าชอบใจไม่ชอบใจบใจิตเรามันก็อยู่กับตัวเราได้อน่่งหลังจากที่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้คอยก็ต้องมีการฝึกให้จิตเนี่ยมันตื่นด้วยคืดจิตเนี่ยบางทีมันก็ค้อยไปเหมือนกันมันซึมลงไปเหมือนกัน ต้องให้สติมันตื่นท่านบิณฑระท่านบิณฑสอนว่าเออให้เดินจงกรมตอนกางวันก็เดินจงกรมตอนกลางคืนปฐมมัยามก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไอเวลาท่านสอนเรื่องการสติให้ตื่นเนี่ยท่านจะพูดถึงการเดินจงกรมก่อนแล้วก็นั่งสมาธิตามมาปฐมมายามยามกลางก็ให้พักผ่อนหลับนอนเสี่ย ยามกลางก็สี่ทุ่ไปถึงตีสองอดีตเม่ยามยามปลายเนี่ยลุกขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นฆราวาสญาิโยมก็ต้องพยายามมีสติทุกกิจกรรมให้สตินี้มันครอบคุมทุกกิจกรรมพยายามอยู่ตรงนั้นถ้าเราพยายามอย่างเนี้ย การกระทำของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมหมดเลยทั้งเนื้อทั้งตัวไม่ว่าหน้าอีการงานอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญสติสติก็มีกําลังต่อเนี่ยมันก็จะตื่นตัวขึ้นมาถ้าเราวสติมันมีกําลังมันจะรู้วิธีทําให้จิตนี้มันตื่นได้ มันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะบางทีมันก็มีมีอาการซึมเศร้ามีอาการดิ่มลงไปมากๆแต่บางทีเราก็ต้องฝึกเด้วยกันเพื่อให้จิตมาตั้งมั่นคือถ้าหาว่ามันจมลงไปมากๆมันไม่รู้ว่าลูกนามนี่มันเกิอดอะบรว่ามันไม่ขันห้ามมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ย มันรู้ไม่ได้เพราะมันไปอยู่กับอารมณ์เดียวลึกๆแต่ถ้าฝุดไปฝุดไปเนี่ยสติมีกําลังมากขึ้นมันก็จะมารู้ตัวกว้างขึ้นรู้ตัวกว้างขึ้นเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวกว้างขึ้นเนี่ยกิจมีจะมีกําลังทีแรกก็เออมีสติรู้ไปก่อนามันอยู่ลักษณะไหนก็นให้รู้ไปก่อนอย่างน้อยต้องมีสติอยู่แต่ถ้าสติเรามีกําลังมากขึ้นมากขึ้น แทนที่มันจะไปไปรู้จุดจุดเดียวอยาลมเดียวมันก็มารู้กว้างขึ้นแล้วจิตก็ไม่สั่สายไปทางไหนเดียวจิตตั้งมัน่นจิตเป็นหนึ่งอยู่ภายในแต่ก็รู้หลอกนี่คือสมาธิที่ต้องกาถ้าหาว่าสมาธิเรายังไม่ถึงขั้นนี้ประโยชน์ก็ยังน้อยอยู่ พระพ้นู้เจ้าก็บอกว่าเออเมื่อสอนลำดับที่สีนะ่แล้วพยายามทำจิตให้ตื่นเกี่ยวชาที่อนุโยคชาคริยันุยุตโตการประกอบโยคให้จิตตื่นพงศ์ก็บอกว่าสอนต่อไปก็คือให้มีสติทุกปิญญาบทติไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ เ, เรียกว่าถ้าหากว่า มีสติใจก็ต้องมีสติถ้าเผลอแล้วกแล้วไปเพราะว่าเราพอใจสร้างเหตุมันเป็นไปไม่ได้ที่สติเราจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เ็นต์มันเผลอก็รู้มนเผลอก็เอาใมาอีคนที่จะมีสติสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือะหลานเท่านั้นเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะปฏิบัตินะไม่ต้องไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้สร้างเหตุให้มันตรง สร้างมิตรให้มันถูกต้องก็คือว่าเราพอใจที่ได้ปฏิวัติพอใจที่จะเจริญสติส่วนผลเป็นยังไงแล้วแต่สภาวธรรมมันจะสงบไม่สงบละวางไปเลยมันจะรู้อะไรไม่รู้อะไรช่างมันเคยได้ยินได้ฟังมายังไงก็ตามเราก็ปล่อยไปไม่ขึ้นอยู่ความอยากไม่ให้มีความอยากอะใ น, ในใจิตใจวางท่าทีได้ถูกต้อง ขอเพียงว่าเราได้ปฏิบัติตาม ท, ทางของพระพุทธเจ้า ก, ก็พอใจแล้ววางจิตง่ายๆสมบายไม่ดิ้บคันตัวเองสติมันก็ดีขึ้นมีสติมีสัมสปัจจัยขึ้นมาคือพอมันมีสติ บ, บ่อยๆเนืองๆสติมันก็มีกําลังมากขึ้นเมื่อขายายตัวเป็นสัมปัจ ญ, ญัยได้คือมันรู้ตัวแล้วก็รู้กว้างขึ้นรู้ตัวทั่วพร้อม แล้วมันก็จะเห็นวความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยเอยต่อมาอีกขันที่หกท่านบอกว่าต้องพยายามละมีมวลแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยขั้นตอนของการฝุกจิตเนี่ยมันก็จะมี มีอุปสรรคเหมือนกันคือมันจะมีทางของมันมากว่าที่จิตขก็มันจะตื่นตัวจิตเนี่ยมันจะตื่นตัวขึ้นมาได้มันก็ต้องอาศัยกายด้วยจิตด้วยบางทีชีวิตของเรามันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมันก็ค้างคายอยู่ในใจอย่างรูปรถกิ่สเสียงสัมผัสอย่างนี้ย มันก็ทำให้เราเนี่ยเกิด ค, ความอยากความต้องการพอเราจะมีสติเข้ามาควบคุมจิตของเราให้เป็นสมาธิจิตมก็ไหลไปไหลไปมันก็กลายเป็นนิวรณถ้าสติของเราดีอ่ะมันก็จะมากั้นจิตเราเอาไว้ได้ไม่ให้ไหลไปกันนิวร น, นั้นมันก็จะละนิวอน์ได้ เดวะกามมาตัญมิวนมันก็ขึ้นอยู่กับการเจริญสติเองเหมือนกันมันก็ต้องใช้ความเพียรความพยายามเพื่อที่จะละอารมณ์ที่มันเข้ามาอยู่ในจิยายาตเ้าภยปทานิวนเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขจิตเวลามันมีความพ ย, ายบาความโกรธเคืองขึ้นมาคุนใจขึ้นมา แต่ถ้าหาว่าเราเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินตามทางของพระพุทธเจ้าเราแก้ไขได้ทั้งนั้นมันไปทางความอยากความรู้กันเราก็จะกัดมันลงไปเอาแล้วที่จําเป็นเอาด้วยปัญญาเอาด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันพยาบามเราก็พยายามที่จะอุทิศปุณฝางแผ่เมตตาบ้างปรารถนาดีช่วยเหลือคนอื่น ต้องไปจากจิตของเราเนี่ยความเมตตามันก็ต้องเกิดขึ้นในจิตของเราก่อ น, านการกระทําภายนอกก็เพื่อให้จิตเรามีเมตตาถ้ามีเามตตาไปในจิตมันจะออกไปเองเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นสติเนี่ยถ้าว่าควบคุมจิตมันผ่านบางทีมันก็ดับของมันเองก็มี ถ้ามันยังไม่ไดับเ อ, อบางทีเราก็ต้องอบรมจิตเราสอนจิตเราจิตไปในทางพยาบาทในทางเบียดเบียนมันก็เป็นนิวร์บางทีนึกโอ๊ยคนนั้นมันเคยว่าเราแค่นี้มันรบุกเข้ามาแล้วมันก็กั้นอยู่ในจิตเราขวางอยู่ในจินตเราแทนที่จิตเรามันจะสงบเป็นสมาธิมันก็เลยวุ่นอยู่กับไอความคิดเหล่านั้น นี่อันนี้พระพุทธเจ้าอสอนให้พยายามแก้ไขนี้กันถีนามีการมีวานความมุ้งลอาหานอนอนซึงเศร้าก็ต้องมาแก่ว่าเหตุนี้มาจากอะไรเราประทานมากไปไหมเราเหน็ดเหนื่อยเกินไปไหมพักผ่อนเตียงพอไหมมีโลปไปจาตัวไหย เนี่ยมันก็ต้องพัฒนาทั้งกายทั้งจิตหลอกด้านเลยนะคนเรียกฝึกเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องมาพัฒนาตัวเราพัฒนากายเราพัฒนาจิตเราให้มันมีคุณสมบัติที่จะรองรับเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มันเกิดขึ้นที่ใจเราเรียกว่าอริยมรรคยูุตตา พิจิตราชามีวอรส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยจะสงสัยวิธีปฏิบัติของตัวเองเพราะว่ามุ่งจะเอาผลบางคนก็บอกโอ้ยมันไม่สงบมันไม่นิ่งก็บอกว่าอ้าวเนี่ยถ้าเริ่มต้นอยากให้มันนิ่งมันก็ผิดแล้วเพราะเริ่มต้นด้วยความอยากอยากให้นิ่งอยากให้สงบต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างคือมีธรรมมีสติส่วนผลเป็นยังไงก็วางไป นัดย้ำในเวลาปฏิบัติตามคําสอนของเราใช้สร้างจันทาให้มีความพอใจที่จะปฏิบัติแล้วจึงแล้วดมความเพียรให้มีความเพียรจริงแล้วก็เพียรสร้างเหตุให้ถูกตอ้องเลยไม่จะเพียรเพื่อจะเอาผลส่วนใหญ่ก็เพียรจะเอาผลอย่างที่ว่านี้ก็มาสงสัยนี่มันไม่สงบมันไม่นี่ก็อยากให้มันสงบ อยากให้มันนี้มันก็ยิ่งดีพันตัวเองก็คิดสิเอ๊ยดูวิธีของเราเนี่ยมันไม่ถูกต้องเราเคยพุดโธรมาเขาบอกว่าฟองหนอยุบหนอเป็นวิปัสสนาของเราเนี่ยสงสัยมันจะไม่ใช่วิปัสสนาไม่ได้โอนแต่ใครฟองน้อ ย, ยุบหนอไอ้ของเราเนี่ยมันไม่เป็นสมาธิอ่ะมันเป็นขั้นกะสมาธิ อารมณ์มันไม่เป็นหนึ่งเดี๋ยวกดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมไปหาพุทโธบ้างสัมมาหลังบางที่กินวิธีไหนก็าตามทัางหลักของพระเจ้าไม่ได้พูดถึงรูปแบบอะไรเลยน ะ, จะเจริญสติตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการมีชินสำรวมอินทรีย์รจัประมาณในการบริโภคใช้สอย กินต่างๆเ่าของเครื่องใช้ปฏิบัติเพื่อให้จิตตื่นมีสติทุกเรียบบทแล้วก็มุ่งี่จะละมิวนทั้งหลายที่มันเป็นเครื่องกั้นต่อความดีที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองพอทำความเข้าใจได้ความสงสัยมันก็คลายไปหรือมันสงสัยมารู้ว่าสงสัยยับยั้งันไว้ได้ ล้วปฏิบัติไปมันก็จะรู้ขึ้นมาเองเออความต้องใจกายไปหาหยไปอุกขจักภูมิอุจกักความฟุ้งซ่ามันก็คิดไปนี่ไปนีเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีไปมันสะดุดมันก็เกิดความรุ่มร้อนขึ้นในใจลังคาขึ้นมาขุ่นเครื่องขึ้นมาก็ได้ถ้ามีสติเราเห็นหมดแล้วกนี้ มันก็จะค่อยรู้ขึ้นเฮ้ยเนี่ยมันจิตมันเป็นได้เองเนี่ยมันไม่ใช่เรามันจะคลายออกเองเนี่ยเนี่ยสมาทิฏฐิเนี่ยมันจริงอยู่ที่จิตนี่นะนิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นเนี่ยเห็นมิจฉาทิฏฐิว่าอ๋ออะไรทำให้เราเป็นทุกข์ได้เนี่ยก็เพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิอะความหลงผิดไปอ้ะมันมค่อยวางไปเองสมาทิฏฐิค่อยเกิดขึ้นอริยมรรคทีองค์แปดเนี่ย เนี่ยมันมันเกิดขึ้นมีสติสกตับสมาสติมีความเพียรก็เพียรพยายามที่จะให้จิตยังมีสติแล้วก็ให้มันรู้ว่าอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นวิจชาที่มันได้ปล่อยได้คลายได้วางออกไปเมื่อได้ทําตามมันเนี่ยมันลึกซึ่งเข้ามาอีกแต่จะว่าลึกซึ้งมันก็มันเป็นทางดําเนินที่เป็นไปได้สุดท้าย ให้จิตตั้งมันเป็นสมาสมาธิสมาธิจะมีความแข็งขันมากขึ้นพร้อมป็นที่รวมสัมมาสติมีแล้วสมาทิฏฐิมีแล้วสัมมาวาย า, าก็เกี่ยนอยู่ตรงนั้นสมาสมาธิถ้ามาถึงตรงนี้ได้จิตมันก็ต้องตั้งมันตั้งมันคือจิตเราไมเล่นหลอดไปทางไหนอ่ะ สติกำกับจิตเอาไว้จะให้จิตทําอะไรก็ได้เนี่ยทัดท่าว่าเราจะเจริญตามทางของพระพุทธเจ้าจนกระทา่งมันเป็นสมาธิขึ้นมาสัมมาวายามะความเพียรก็เพื่อให้สติของเราเนี่ยกํากับจิตเอาไว้ไม่ให้เล่นลอยไปทางไห น, นก็เป็นสมาธิไม่ฟุ้งซ่านทีนี้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดเองแล้วนะจิตมันก็คิดได้เอง เกิดเองดับเองหมดสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเ น, นี่ยมันเหมือนกับว่ามันผ่านมาผ่านไปเล ย, ยเป็นสมาธิที่แนวโลบุตระหรือวิปัสนาสมาธิิเป็นวิปัสนาเพื่อความรู้แจ้งถ้าหากว่าอรอิมัคมีองศาตรวมเข้าไปสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็เป็น โลกุตระสมาธิปานติเลสสมาสังกัปโภมันก็อยู่ในนั้นไอ้ความคิดที่มันไม่ชอบไม่ถูกต้องพยาบาลเยดเบียนอะไรมันก็ไม่เอาหรอกพองทำให้คิดรุ่มร้อนเนะี่ยอย่างนี้อย่างนี้เกินความจําเปน็นก็ไม่เอาแล้ ว, อวเอวันนี้ธรรมะเนี่ยส่วนใหญ่จะได้คิดถึงแต่ว่าเข้าวัดโกนผมหรือว่าไปอยู่ในวัดทางจากบ้านจากเรือน อันนั้นก็มีส่วนใช่แต่จริงๆแนละ้วอาการวิจิตของเรามันถอยห่างออกไปจากพวกรูปรสิ่ีเสียงสัมผัสใใทั้งหลายใจไม่ไปยึดปีติไม่คล้องจึงเรียววันเน่ฆัมมะที่แท้จริงมันเป็นเน่ฆัมมะในจิตเนาะแต่กายมาแล้วแต่จิตมันยังแลกออกไปอนยะู่มนะีละจิตมันออกไปมันไม่เป็นเนะนะ่ฆัมมะอย่างนั้นเน่ฆัมมะแต่กายนะแต่จิตมันไม่เป็น อย่าไปวุ่นกันเรื่องบ้านเรื่องเรือนเร่องลูกเรื่องเมียไปคอกเครียอยู่กับลูกกับเมียนู่นเราก็ต้องรู้ทันมันก็ไม่คิดว่ามันเป็นเราหรอกมันเป็นธรรมชาติทั้งจิตถ้าเราฝึกยังไม่เพียงพอมันก็ต้องเป็นธรรมดามันก็ต้องไปตามอํานาจของความรุ่มหลงภายในจิตขอมันไปตามอํานาจของความหลงเท่านั้นเอง ถ้าเรามามีสติรู้เนี่ยให้มันหายหนูหายหลงเมื่อไหร่มันก็อยู่มันก็อยู่กับตัวเราในเมื่อนั้นเดีย๋ยวความรู้มันนี่มันรู้อยู่ตรงนี้นะเพราะม่รู้เพื่อดับทุกข์รู้เพื่อให้อายมาร์กมีองค์แต่มันสมบูรณ์ขึ้นมาในจิตของเราคําสอนของพระยาันก็มารวมอยู่ที่จิตของเราหมดแนละ้วอินสมาธิปัญญาก็อยู่ตรงนี้นะ ที่ในสราวาจิตเราที่เป็นปกติสมาธิจิตเราตั้ ง, งมั่นปัญญาเห็นความจริงมันเกิดสิ่งต่งดับไปใจก็ค้ายความยิดมันถึงมันออกไปโอ้ทางของพระเจ้าเนี่ยสว่างสวยขึ้นมาเลยนะมองเห็นชัดเจนเลยอย่างน้อยถ้าหากว่าเรายังไม่ไปถึงว่าอริยมรรคยมแปดเสี็ ส, สมบูรณ์หรือจิตตั้งมัน่นแต่ทางดาเนินก็ถูกต้อง สติเราค่อยๆเจริญขึ้นดีขึ้นแค่นี้ชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงแล้วไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงเรียกว่าอานิมักมีองแปดของพระองค์คือพระมรรจันธ์อานิมักมีองแปดนี่แหละคือพระมรรจันตุเจ้าวันทางกานประเสริฐหลักในการดําเนินชีวิตทําให้ชีวิตประเสริฐขึ้นก็คืออันนี้ แล้วมันอยู่ข้างนอกไหมนะมันต้องเข้ามาอยู่ในจิตของเรามันจริงจะี่ยวกับเสถียมันก็ต้องดําเนินตั้งเดานิสัยละว่าตามที่พระย์สอนอภิญญ์สํารวมระวังให้มีศีลเนี่ยสีห้าสีแปดอันนี้มันเป็นสิ่งที่เอามาปฏิบัติเพื่อให้สีเกิดขึ้นที่จิตเราอันนี้สีห้านี่ก็คือเรียกไปตามที่เรานิยมเรียกกันจริงจริงมันเป็นศิขาบท เวลาสมาทานทนี่นะปานาติปาตาเวมารมณีสิกขาประทางเนี่สิกขาสิกขาประทางนั้นเป็นสิกขาบทการสมาทานก็เพื่อที่จะรับเอาหรือเลือกเอามาปฏิบัติมันไม่ใช่มาขอกันเหมือนปัจจุบันนะวันสงวัน น, นี้เ้นานิมนต์เจ้าป้าป่าเราก็ต้องขอศีนกัน เราก็บอกว่าเออสีจริงๆมันไม่ใช่มาขอกันมันต้องปฏิบัติให้สีกดขส้นที่จิตใจของเราถ้าว่าใครคิดว่าขอสีแล้วไดุ้นอันนั้นแหละสีลักษัตตปรามะมันลูกคำสีมันไม่เข้าใจประโยชน์ของการรักษาสีจริงๆไม่เข้าใจถึงการสมาทานสีสมาทานเพื่ออะไรไม่เข้าใจ มันก็เลยลกลายเป็นรูปข้ามไปการสมารานินก็ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเนี <Yeah. S 1> ่ยเขาจึงว่าเรียกว่ารูปข้ามเรียกว่าสีรลัทธ ะ, ะกลามนะอย่างนี้เป็นกันเยอะนะขอศีลแบม่มที่ว่าได้บุญแนละ้วออกจากพิธีและทักิดสิ น, นทังดีเลย งูอย่างนั้นมันใชไ่ได้กิงๆเราก็ปฏิบัติของเราเองนี้แหละถ้าหาว่าเออจะไปบอกกล่าวกับพระว่าเนี่ยจะรับสาสินเพื่อให้มีกำลังใจเอออย่างนั้นก็ดีดีได้แต่ถ้ามีกำลังใจแล้วสินอยู่ในใจเราเนี่ยปฏิบัตสิสินทั้งกายวาจาใจเราเนี่ยมันก็ตรงกับวัตถุประสงค อย่างมีจีตสำรว ม, มอินทรีย์เราก็มีหน้าที่ของเราเอง่ะสำรวมจิเรามีชีวิตไปด้วยหือเราก็พยายามสำรวมไปด้วยอันนี้เดียวปฏิบัติตามคำสอนของเจ้ของเรานี่ศึกษาแบบให้มันมันอยู่ที่จิตเราเลยเอาจิตเข้าไปศึกษาศึกษาข้างนอกก็เป็นส่วนประกอบอย่างได้ยินในฟังเองนยได้อ่านมาได้ฟังมาแล้วต้องเอามาปฏิบัติ ไม่งั้นมันจะอยข้างนอกหมดนะศาสนามันจะไม่เข้ามาอยู่ที่ใจไม่เหมือ น, นพระพุทธเจ้พาพระเจ้าในตักรู้ที่ใจเลยนะดับทุกที่ใจใจสาดใจมริสุทธ์แล้วก็มาประทานทอันตรเพื่อใาวกดําเนินไปตามทางทางว่าความรู้มากนะบางคนมันมีทิ่ติมานะเพิ่ออมเข้ามาลเออฉันรู้อันนี้แล้วอยากรู้อันใหม่เพิ่มขึ้น อย่างรุ่นใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวรรณคดีเลยเป็นทฤษฎีเป็นวิชาการแต่ภายในจิตใจนี่ห่อเหนียวอ้างว้างไม่มีที่พึ้นทางจิตใจเลยกับการที่รู้พองสมควรนะให้คำสอนของเจ้ามาเกิดขึ้นทิ่ใจลรา ให้ทุกภายในใจเรามันลดลงไปน้อยลงไปมันประเสริฐกว่าการเรียกหรือศึกษาไปด้วยเาอา่ะจิตของเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นอย่างนี้จิตขางเราก็ดำเนินไปได้ด้วยเอออันนี้ก็สมบูรณ์มันก็ดีอินทีย์แล้วสำรวมอินทียแล้วีรือจะประมาณในการบริโภคก็คือบริโภคด้วยสติด้วยปัญญาบริโภคเท่าที่จำเป็นเนี่ย ผมก็ดีขึ้นมาต่อไปก็พยายามทําให้จิตตื่นปฏิบัติให้จิตตื่นตื่นตัวนในภายในจิตนี้มันตื่นกับจิตเมฆตื่นก็ต่า ง, งากัคงคนแต่มันตื่มมันจับจอมันควบคุมจิตเนี่ยได้ดีจิตเป็นยังไงไปยังไงรู้ทันมันตื่นขึ้นมาแล้วก็มี สติทุกขียาบทพยายามที่จะละมิวออรแก้ขังเวลามันมีอะไรมากันน้นมาขวางสติไ ม, ม่มีสติมีสมาธิเกิดขึ้นที่จิตของเรานต่อไปจิตของเราก็เป็นสัมมาสมาธิน่ะเป็นที่รวมของของริยมรรคทั้งหมดสมาธิทีออมมก่ก็อยู่ตรงนั้นสัมมาสังกัปปะก็อยู่ตรงนั้นสัมมาวาจา เรียพูดอะไรเนีโอ้มันมาจากเจตนาก่อนแล้วเราจะพูดเพื่ออะไรอย่างไรรู้ทันเนีหยือาเป็นชมาวาจาขึ้นมาองค์ละเป็นละมิชาวาจาสมากมรรมนโตการงานก็ต้องชอแดแต่เรียไปข่าทรัพย์รักทรัพย์ประกอบกิจในการมมันก็ไม่เอาเพราะมันเองเจตนาในจิตแล้วสมาจิวะ เห็นจะได้ขไปโก้ีหล่อลวงตลกตแะแลงใช้ปาท้เรียมมันก็ไม่เอาเพราะมันเห็นเห็นที่จิตเนะี่ยันก็ต้องเป็นสมาธาิว่าสมาสติสม า, ถสถสมาวายามะกำลังสมาธิรวมเข้าไปเนี่ยท่านพึงว่า เวลาจะประหารีิเลสอะไรเยะมากเลยแปดรวมงินเข้ามาเข้าสู่อปปนาสมาธิมีองค์ฌานรองรับแล้วก็ประหารกิเลนได้นี่คือทางลำดับของการสอนของพระพุทธเจาาเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจของตัวเองทั้งนั้นเลยคณะกรมโมขณะฝ่ายแล้วโอ้ดีจินะสันเสริญนะ าแต่โอ้ผู้เจริญลำดับการสอนของพระองค์เนี่ยเขีนแ จ, นแจน้งชัดเจนเหลือเกินพระเจ้าค่ะแสดงว่าสาวกของพระองค์เนี่ยจะต้องเป็นผู้เข้าถึงธรรมสามารถพ้นจากทุกได้เป็นแน่แท้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าต่อดูก่อนคณะกาโมคลระนะสมมติว่ามีคนหลงทางเราเป็นผู้บอกทาง คนที่เดินทางเนี่ยจะเดินทางไปสู่จุตหมายปลายทางได้ทุกคนไหมไม่ทุกคนพระเจ้าค่ะนี่ก็เช่เดียวกันนะพระเจ้าบอกเราจะสาคูก็เป็นแค่ผู้บอกทางเท่านั้นส่วนผู้เดินทางเนี่ยจะถึงหรือไม่ถึงนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่แน่นอนท่นานอาารโมคลานะฟังยิ่งทราบซึ้ง ขอถึงใจเจนานาคมในวันนั้นถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่สุดนี่คือลำดับของการศึกษาลำดับของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าใครอยู่ในฐานะไหนก็ตามคำสอนเป็นอันเดียวกันนำไปประพฤติปฏิบัติให้มีความเหมาะสมเหมาะสมควรแล้วก็จะเกิดประโยชน์ แก่จิตใจเราอย่างแท้จริงเกิดประโยชน์ต่อชีวิตเราจริงๆชีวิตของเราต้องประเสริฐขึ้นจริงแล้วเท่าที่สังเกตในปัจจุบันว่าเอาขอข้อบครัวไหนหรือว่าคนไหนที่เดินตามทางของพร ะ, ะพุทธเจ้าเนี่ยค่อยๆปฏิบัติไปตามฐานาาะตามสภาพชีวิตค่อยๆเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆก็เลยยิ่ ความเชื่อมั่นเพราะมันมีหลักฐานพยายามอยู่ในปัจจุบันนี้สรุปแล้วลําดับของการปฏิบัติก็มีสิ่งที่เรื่องตนที่ต้องเข้าใจก็คือว่าพอใจสร้างเองสร้างสรรค์และดมความเพียรเพียรเพื่อสร้างเองให้ถูกต้องไม่เพื่เพียรเพื่ อ, อจอาคน อานิลล่ะสำคัญเลยนะแล้วก็ระหว่างที่มีความเพลี่ยนผู้ย่อกระสอนว่าอาตาปีสัมปัชฌนาสติมาวินยะโลเกะปิชาโทมัสให้มีความเพียนเผากิาาาาาาลเลนให้ เ, เรา้องมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ลกความยินดียินร้นายในโลกนี้เสียให้นะก็คือหลักเดียวกันนั่นก็คือมีใจเป็นกลงกลางใจไม่ยินดีไม่ยินร้าย ถ้ามันอยากจะเอาผลมันบังคับติตหนึ่งมันก็เป็นอัตตะอิลมาฐานโยกไปละมันไม่เป็นกลางนะตัวเป็นตนนะไม่เป็นแค่ระจวกตัวตนนมันจะเอาหนึ่งเอาหนี่ก็เป็นกามาสุขาลิการโยกกามาสุขาริการโยกไปทางซ้ายไปทางขวาไม่เป็นกลางไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา สิที่พระ อ, องค์แสดงทําครั้งแรก่ะทํามาจักกับปวัฒนสูตรก็ที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้แหละทางสายกลางก็คือจิตเราเป็นตัณหาไม่ใจิตเราไปทาำดีไม่ให้จิตเราไปทางำร้ายมันก็เป็นมัชฌิมาปฏิบัติทางายในจิตทางสายกลางก็คืออริยมรรคในองค์แแล้วมันจะเข้ามาเห็นพอจิตตั้งมั่นแล้วมันจะมาเห็นอริยสัจสี่ คือเห็นความจริงอะความจริงยังไงอะอะไรเกิดแล้วก็ดับผ่านมาผ่านไปเนี่ยใจเราจะไม่ยึดใจเราจะไม่ไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทุกนี้ก็เพราะใจเราเนอะมันอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พุ่งใจไปถ้าหาว่าเราวางใจได้ถูกอะมันไปตามเีตตามปัจจัยควรยังไงก็เป็นไปอย่างนั้นใจยอมรับใจอย่างเงี้ยก็คือเห็นมันเกิดดับนั่นเอง เห็นว่ามันเป็นไปตามนี้ตามปัจจัยเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันเป็นทุกข์ที่คุณเห็นอันนี้อย่างผูขังอนัตตาเนี่ยเองเห็นในยัตสสีเห็นปฏิจจสมุปบาทมันอยู่ในจิตหมดเลยนะนี่ธรรมะของครืเจ้าอยู่ในจิตนะเห็นว่ามันเกิดเห็นมันดับเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา จิตยอมรับได้เหตุแห่งทุกเนี่ยมันก็ดับกายจะมีโลกทุกก็ดับไป ม, มันดับชั่วขณะแล้วยังมีเปรียบเทียบเห็นชัดเจนเวลาเป็นเราเป็นมาอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ่ะเนี่คือเป็นหลงละหลงว่ามีเราจริงจริงว่ามันเป็นธรรมชาตเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมวลเหตุปัจจัยมันก็ดับไป ดับไปใจเราก็ว่างเล่าใจเราก็เป็นกลางกลางทางที่จะดับทุกข์ก็คืออริยมรรคยุงเต็ก็คือที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีแต่จะเอาผลเนี่ยอยากได้ง่ายๆเหมือนกับว่าไม่อยากลงทุนอะไรเลยเนหะมือนนั่งๆ น, นอนๆกิ น, น, น, น, นสบายบายเที่ยวเตยดูหนังดูละครปล่อย กาจะบายแลวให้มารกมันเกิดขึ้นให้ทำมันเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะบางทีก็เออไอศกษย์ามากๆแล้วเผื่อมันจะซึมเข้าไปให้มันทำมะาเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจเราอันนี้เหตุไม่พอความเพียรความพยายามของเรามันมันน้อยอ เรายังปล่อยตามสบายเราเพรว่าเราเพียรแล้วละ่ะถ้าเทียบกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะั่แหละมันยังไม่สมบูรณ์ก็ยังดีนะว่าเออมีคนสนใจศึกษาทําความเข้าใจมันก็ดีกว่าวิชาช้าอย่างอืน่นมันก็มีผลดีทางจิตใจมากแต่ว่าถ้าหาว่าให้มันมันมีคุณค่าต่อจิตใจมีผลต่อจิตใจ ลึกซึ่งเข้าไปเมันต้องอาศัยการปฏิบัติเน้ยเห็นพระเจา้าหลวงตัวรวุยาสัตย์สีก็มันเห็นใน้จริงจริงจิตตั้งมั่นนั่นเป็นเหตุ น, นั้นไม่สัตย์สีพญิมังคีวัตรต้มบูลก็ประหารกิเลสได้ประหารที่ไหนที่ติดของแต่ละคนเะนี่ยที่ติดของผู้ปฏิบัติมันก็อันเดียวกันเนะ่ยกับพงค์พระพุทธเจ้า ของสาวกในสมัยที่พระพุทธเจ้าลงทรงพระเยนจนถึงปัจจุบันแล้วก็อยู่ในจิตของผู้ปฏิบัติทุกคนที่ไม่ใช่ทางดำเนินของจิตเราเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนไปสอนก็มีเยอะเหมือนกันนะที่เป็นคราวานะเขามาเล่าสภาวาให้ฟังโอ้น่าสื่นใจนะว่าเออ พระเยเจ้ยังมีอยู่ถึงเป็นฆราวาสก็ทพระโสดาบันมีพระเศธษธาคามีก็นาคามีพ่อหลานก็มีมันจึงไม่ใช่ว่าจะมีแค่พระเจ้า อ, อย่างเดีเยวอันนี้ไม่ได้พูดถึงพระพระก็มีนะแต่ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติทั้งนั้นไง ตัดสะพระขอโตขอโน้มแบบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระโตซึ่งเป็นผู้ไกรชากกิเลสสำมาสังคุตตตระกระเสือโชกได้โดยพระองค์เอง